จตุ ก, กะนิสักคยะปาจิตตีอาบัตินิสักคยะปาจิตตีที่ภิกษุต้องเพราะทำสันทัดผิดวินัยด้วยอาการสี่อย่างคือหนึ่งทำเองตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ 2. ใช้ให้ผู้อื่นทำตั้งแต่ต้นจนสำเร็จ 3. ตนทำค้างไว้ใช้ให้ผู้อื่นทำต่อจนสำเร็จ 4. ใช้ผู้อื่นให้ทำค้างไว้ตนทำต่อจนสำเร็จจะตูตถะถปราชิก ค, คือปราชิกข้อที่สจะตูวักหมู่แห่งภิกษุสี่รูปจอดคือหยุดไว้วางไว้อธิบายไว้ปรับอาบัต จกราศีอนาคเขตโดยรอบดวงอาทิตย์ที่ดาวนวพก ร, ะ เ, ระเดินจะพลัดจะผลูทำผิดผิดถูกถูกหรือเป็นไปโดยไม่ตั้งใจเจ้าริตวัตรอีกชื่อหนึ่งของอาเจลกาวัตรวัตรที่ห้าแห่งปาจิตตีจิตตุ บ, บาท คือความเกิดขึ้นแห่งจิตคิดล่วงศิขาบทจิตแปรปรวนคือจิตเปลี่ยนจากปกติไปตามอำนาจราคะจีวรการคราวถวายจีวรงวดที่หนึ่งตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือน11อถึงกลางเดือนงวดที่สอง ตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งเดือนส2องถึงกลางเดือนสี่จีวอนทานนสมัยฤดูถวายจีวอนเหมือนจีวอนการจีวรวักหรือจีวอนวักหวดแห่งสิขาบทที่ว่าด้วยเรื่องจีวอน จึงแสดงอาบัตได้นวโกวาดว่าจึงแสดงอาบัตตกหมายถึงจึงกล่าวสารภาพโทษเพราะล่วงศิขาบทนี้แล้วพ้นจากอาบัตได้โจทอิริยาคือฟ้องคำนามคือการฟ้องคุณน า, นามคือผู้ฟ้องหรือเจ้าทุก